61. ดูกรอานนบุคคลเมื่อจะบัญญัติอัตตาย่อมบัญญัติด้วยเหตุประมาณเท่าไรก็เมื่อบุคคลจะบัญญัติอัตตามีรูปเป็นกามาวจรย่อมบัญญัติว่าอัตตาของเรามีรูปเป็นกามาวจรเมื่อบัญญัติอัตตามีรูปหาที่สุดไม่ได้ ย่อมบัญญัติว่าอัตราของเรามีรูปหาที่สุดมิได้เมื enfin me, ่อบัญญัติอัตราไม่มีรูปเป็นกามวจรย่อมบัญญัติว่าอัตราของเราไม่มีรูปเป็นกามาวจรเมื่อบัญญัติอัตราไม่มีรูปหาที่สุดมิได้ย่อมบัญญัติว่าอัตราของเราไม่มีรูปหาที่สุดมิได้ ดูกรอานน์บรรดาความเห็นสี่อย่างนั้นผู้ที่บัญญัติอัตตามีรูปเป็นกามาจรนั้นานย่อมบัญญัติในการบัดนี้หรือบัญญัติซึ่งสภาพที่เป็นอย่างนั้นหรือมีความเห็นว่าเราจักยังสภาพอันไม่เที่ยงแท้ที่มีอยู่ให้สำเร็จเพื่อเป็นสภาพที่เที่ยงแท้ อาโนนการลงความเห็นว่าอัตตาเป็นกามวจรย่อมติดสันดานผู้มีรูปที่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงควรกล่าวไว้ด้วยดูกระร้อาโนนบรรดาความเห็นสี่อย่างนั้นผู้มีบัญญัติอัตตามีรูปหาที่สุดมิได้นั้น ย่อมบัญญัติในการบัดนี้หรือบัญญัติซึ่งสภาพที่เป็นอย่างนั้นหรือมีความเห็นว่าเราจักอย่างสภาพที่ไม่เที่ยงแท้อันมีอยู่ให้สําเร็จเพื่อเป็นสภาพที่เที่ยงแท้อานนท์การลงความเห็นว่าอัตตาหาที่สุดไม่ได้ย่อมติดสันดานผู้มีรูปที่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้น จึงควรกล่าวไว้ด้วยดูกร ะ, ระอาโนนบรรดาความเห็นสี่อย่างนั้นผู้ที่บัญญัติอัตตาไม่มีรูปเป็นกามาวจรนั้นย่อมบัญญัติในการบัดนี้หรือบัญญัติซึ่งสภาพที่เป็นอย่างนั้นหรือมีความเห็นว่าเราจักอย่างสภาพอันไม่เที่ยงแท้ที่มีอยู่ให้สาเร็จ เพื่อเป็นสภาพที่เที่ยงแท้อนน์การลงความเห็นว่าอัตตาเป็นกามาวจรย่อมติดสันดานผู้มีอรูปที่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงควรกล่าวไว้ด้วยดูกระอานน์บรรดาความเห็นสี่อย่างนั้นส่วนผู้ที่บรรยัตอัตตาไม่มีรูปทั้งหาที่สุดมิได้นั้น ย่อมบัญญัติในการบัดนี้หรือบัญญัติซึ่งสภาพที่เป็นอย่างนั้นหรือมีความเห็นว่าเราจักยังสภาพที่ไม่เที่ยงแท้อันมีอยู่ให้สำเร็จเพื่อเป็นสภาพที่เที่ยงแท้อานนท์การลงความเห็นว่าอัตตาหาที่สุดมิได้ย่อมติดสันดานผู้มีอรูปเพราะฉะนั้นจึงควรกล่าวไว้ด้วย ดูกระอาโนนบุคคลเมื่อจะบัญญัติอัตตาย่อมบัญญัติด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แล